ให้มีสัมมาทิฏฐิมีหิริโอตัด ป, ปะละอายเกรงกลัวต่อบาปเพื่อให้เกิดประโยชน์ศุกแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรียบเรียงจัดทรรมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิสน ม้วนที่หนึ่งโลกนรกเต็มไปด้วยสัตว์ที่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมินี้ บุคคลที่ไปตกในนรกนี้ต่างทําบาปทํากรรมต่างๆนานาซึ่งโทษทันนั้นเมื่อตกนรกแล้วก็ยังจะต้องใช้เศษบาปกรรมในนรกขุมอื่นๆอีกมากมายดังจะกล่าวดังต่อไปนี้เมืออนรกทั้งสิ้นแบ่งเป็นขุมๆหนึ่ง มหานรกหรือนรกขุมใหญ่มีทั้งหมด8ขุมตั้งซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆห่างชั้นละ 1,000 งห้าพันยช 2. ออุสุทธานรกหรือนรกที่รองลงมามี128ขุม 3. ยมโลกมีทั้งหมด320ขุม 4. โลกนตานรกมี1ขุม ผู้มีกรรมซึ่งต้องไปเกิดในนรกเหล่านี้ต้องเสวยทุกโทษอยู่เป็นเวลาช้านานก็แล้วแต่บาปกรรมที่ตนได้ทำมาครั้งแรกก็ไปอยู่ในมหานรกก่อนหากบาปกรรมยังไม่หมดก็ต้องไปเสวยกรรมอยู่ในอุสุธนรกต่อจากนั้นก็ยังไปยมโลกรกเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแต่ก็มีสัตว์บางประเภทที่ตกนรกขุมเล็กๆแล้ว ก็ไปตกในรกขุมใหญ่ก็มีมีพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ขีนาศพท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมที่สูงมากมีบุญญาณุภาพมาก และก็มีอภิน ญ, ญามีนามว่าพระมาลัยเดิมท่านอยู่ที่บ้านกัมโพชะซึ่งเป็นชนบทเล็กๆในเขตในเกาะลังกาโดยเหตุที่ท่านมีบุญญาณุภาพและมีอภิญญามาก สามารถเหาะขึ้นไปบนสวรรค์และแทรกดินไปมือนรกอยู่บ่อยๆจึงได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ประสบพบเห็นนั้นมาบอกแก่มนุษย์ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นเพื่อจะได้ให้ประชาชนละเว้นการทำชั่วกระทำความดีเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์กันทั้งสิ้น มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อท่านไปในนรกนั้นด้วยเมตตาธรรมของท่านทำให้น้ำในกระทะทองแดงที่ทรมานสัตว์นรกนั้นกลับกลายเป็นน้ำเย็นเปลวไฟที่รุกโทษท่วงเผาสัตว์นรกก็กลับกลายต้องดับทันลงต่อจากนั้นพระมลัยก็ได้แสดงธรรมโปรดแก่สัตว์นรกเหล่านั้นให้อิ่มเ อ, อิบบันเทิงในธรรม สัตว์นรกเหล่านั้นคันได้ฟังเทศนาแล้วต่างก็พากันปราบปลื้มใจแล้วก็ได้ร้องสั่งกับท่านว่าหากขนเจ้าขอรับได้โปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าโดยเถิดขอพระคุนเจ้าเนี่ยเมื่อกลับไปถึงโลกนุกแล้วได้โปรดบอกแก่ญาติของข้าพเจ้าให้ช่วยเร่งทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศส่วนบุญนั้นมายังให้ข้าพเจ้าโดยเถิด ข้าพเจ้าพรพรัม า, มาในนี้จริงๆฝ่ายพระมลัยครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วก็นำความแห่งสัตว์นั้นนํามาบอกแก่ญาติพี่น้องตามที่ได้รับคำขอร้องไว้ทุกประการบรรดาญาตินั้นครั้นได้ทราบแล้วก็ได้เร่งทำคุณงามความดีอุทิศ ส, ส่วนกุศล ให้กับญาติของตนที่ได้ไปตกนรกนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นชาตินรกไม่สามารถจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติอุทิศไปได้เลยทางนี้เพราะว่าในนรกนั้นมีแต่การทรมานให้มีความทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไม่สามารถจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้เลยมีแต่ปรัทัตตูปัจฉีวเปรตเท่านั้นที่จะสามารถรับส่วนกุศลนั้นได้ อาจจะมีคำถามว่าพระมารัยทำไมถึงไม่ขนสัตว์ออกจากนรกนั้นเสียคำตอบก็มีว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้แต่พระมารัยเองก็ยังไม่สามารถจะนำสัตว์ที่ตกในนรกนั้นขึ้นสวรรค์ได้เลย ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังเนื้อหาที่พระมลัยได้ไปเที่ยวเมืองร็อกแล้วนำมาเป็นบทสนทนากันให้ฟังแล้วได้มีศรัทธาประสานกันสืบต่อไป มลัยท่านได้นั่งคัสสมาธิกระทาจตุตฌานเมื่อได้อภิญญาโดยคล่องแคล่วแล้วท่านก็ไปสู่แดนนรกทันทีทันทีที่ท่านไปถึงก็ได้พบสัตว์นรกต่างๆถูกทรมานมากมายบางพวกถูกห อ, อกทิ่มแทงบางพวกก็ถูกเลื่อย จนขาดเป็นท่อนๆเลือดไหลนองพื้นร้องเสียงโอดโอยอย่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเมื่อท like. ่านพระมาลัยได้เห็นดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาเท้ายมพบาลแห่งเจ้านรก ท่านก็ได้แวะไปถามท่านยมบาลว่านี่นะท่านท่านคือยมบาลใช่หรือไม่ใช่แล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าคือพญายมราชหรือที่ใครๆเรียกกันว่าเท้ายมบาลนั่นเองครับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านถึงได้นั่งดูเฉยๆเล่า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 ยังมาบอกอาตมาว่าเป็นผู้มีเมตตาปราณีดอกเล่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องเล่าถวายให้กับพระคุณเจ้าอีกจริงๆแล้วเมื่อคนเราทำความาดีมามากๆ ผ, ากผลบุญนั้นมาส่งผลในปฏิสนธิการเขาก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์และหากผู้คนใดทำกรรมชั่วไว้มากในปฏิสนธิการนั้น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 ท่านว่าท่านอนุเคราะห์แกสัตว์นรกท่านอนุเคราะห์อย่างไรเล่าข้อแต่ท่านพระมลายข้าพเจ้าจะเล่าถวายให้ฟังต่อไปจริงๆแล้วบุคคลที่มาถึงณแดนนี้ข้าพเจ้าก็จะทำการไต่สวนเพื่อสอบถามไร่เรียงว่าพวกเขานั้นได้เคยทําความดีอะไรในเมืองมนุษย์บ้างเล่าและบางครั้ง ก็ต้องถามถึงเทวทูตห้าว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเทวทูตห้าบ้างหรือไม่ถ้าเขานึกไม่ได้จริงๆก็นับว่ า, วาเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาจะต้องไปตอกตรอกชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำมาท่านถามเขาอย่างไรล่ะบอกอาตามาได้ไหมเป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าอ๋อไม่ยากหรอกพระคุณเจ้า เออก็เป็นเรื่องความดีทั่วทั่วไปว่าเมื่อครั้งเจ้าดันได้เป็นมนุษย์ได้เคยทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคำถามที่ยากตรงไหนแต่ว่าโดยความมืดบอดแห่งอวิชชาเป็นผู้มีความขาดสติก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีได้เลยเออ แต่ว่าข้าวเจ้าก็ยังมีความเมตตาปราณีต่อจึงได้ถามเทวทูตห้าต่อไปเทวทูตข้อที่หนึ่งข้าวเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นเด็กตัวเล็กๆนอนเปื่อนมูดเปื่อ น, น, นคู ด, คดบ้างหรือไม่เล่า เขาก็ตอบว่าเคยเห็ น, นข้าพเจ้าถามต่อไปว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรแทนที่สัตว์นรกนั้นจะตอบว่าเห็นเด็กรแรกเกิดแล้วมีความคิดว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์การที่จะต้องมานอนเพื่อนมูดเพื่อนคูดต้องมาร้องไห้กระจององแง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 แทนที่สัตว์ตรบจะตอบด้วยคำตอบในลักษณะทานองเดียวกันนี้เขากลัตบตอบว่าเด็กแรกเกิดก็เด็กแรกเกิดไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้นักราบานเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าวเจ้าเลยนี่แหละเป็นคำตอบที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้า ก่อนในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามสัตว์นรกด้วยเทวทูตข้อที่สองนั้นว่าเมื่อครั้นที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนแก่เดินงกง เ, เงินเบ้างหรือไม่เล่าคนแก่ที่มีสี่โครงคดหลังงอถือไม่เทา้าบางทีก็ความจําเลอะเลือนเลืนผมงอกหนังเหี่ยวยน่นเกิดระการต่างๆนี้บ้างหรือไม่เล่า ก็สัตว์นรกก็ตอบว่าเคยเห็นข้าถามว่าเห็นแล้วมีความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรเขาแทนที่จะตอบว่าเห็นคนแก่แล้วทาให้รู้สึกว่าความแก่นั้นเป็นทุกข์ควรที่จะเจริญกุศลต่างๆไม่ว่าทางกายวาจาและทางใจควรที่จะเร่งทำคุณงามความดีก่อนที่ตนเองนั้นจะหมดเรื่มหมดแรงเพราะความแก่ การเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีวัยที่จะสามารถทํากุศลได้นั้นก็ควรจะเรีบทําคําตอบเหล่านี้ก็นับว่าเป็นคําตอบที่ทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจไม่น้อยแต่ถ้าเขาตอบคําถามว่าเห็นคนแก่คนแก่ก็คือคนแก่น่ารําคาญเพราะคนแก่นั้นที่บ่นจุกจิกจู้จีจ้เออ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 เมื่อครั้งที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบางทีงทก็นอนในที่สาธารณะเช่นริมถนนหนทางบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกนึกคิดเป็นประการใดสัตว์เลกบางพวกก็ตอบให้เป็นที่น่าชื่นใจว่า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 เห็นคนเจ็บ่ายได้ป่วยก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของข้ามันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของมันหรือว่าอะไรทำนอง น, นี้ฟังแล้วน่าสดใจหรือไม่ละ่ะท่านพระคุณเจ้าความเมตตากรุณาความปราณีหรือการที่จะระลึกให้เป็นกุศล น, นั้นไม่มีบ้างเลยแสดงว่าคนประเภทนี้มีโอด จ, จ, จริง แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ย่อท้อที่จะเมตตาปรานีและอนุเคราะห์แก่เขาข้าพเจ้าก็ยังได้ถามในเทวทูตข้อที่สีต่อไปว่าการที่เจ้าได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้เคยเห็นนักโทษติดคุกติดตารางหรือเห็นคนที่ถูกทำโทษต่างๆนานาบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็น สัตว์ บ, บางพวกก็ตอบว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าการที่ต้องมาติดคุกติดตรางพวกเขาเหล่านั้นก็นับว่ากระทํากรรมที่ไม่เหมาะสมเขาเป็นผู้ไม่ฉลาดในการทําความดีเลยทําแต่ความชั่วดังนั้นผลกรรมของเขานั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งตัวเราเองควรจะทําความดีอย่าได้ทําความชั่ว เพราะว่าจะได้ไม่ต้องรับผลชั่วแบบเขานับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่สัตว์บางพวกกลับตอบว่าคนที่ติดคุกติดตารางต้องโทษต่างๆนานาก็เป็นเรื่องของเขาข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลยแล้วทำไมจะต้องมาถามข้าพเจ้าบ้างเล่าข้าพเจ้าเสียใจต่อคำตอบแบบนี้ แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ย่อท้อก็จะถามเทวทูตข้อที่หต่อไปในเทวทูตข้อที่หข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นศพคนตายบ้างหรือไม่เล่าศพคนตายที่ตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้าง สวันบ้างมีหนอนชอนชัยมีลําตัวพองอืดเขียวบ้างหรือเป็นโครงกระดูกบ้างหรือไม่เล่าสัตว์นรกก็ตอบว่าเห็นข้าพาเจ้าก็ถามต่อไปว่าเมื่อเห็นศพคนตายแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรสัตว์นรกบางพวกก็ตอบว่าเมื่อเห็นแล้วความตายนั้นเป็นทุกข์ความตายนี้ไม่ควรประมาท เพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าจะตายเร็วตายวันเมื่อใดจะตายยามหนุ่มยามสาวหรือจะตายยามแก่ชราก็ไม่มีใครทราบดังนั้นก็ควรจะเร่งทํากุศลซะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก่อนที่เราจะต้องละจากสังขารนี้สัตว์บางพวกก็ตอบในลักษณะทานอนนี้เหมือนกัน แต่เป็นอีกแบบหนึ่งว่าคนเรานี้ทรัพสมบัติผัจจันชมทรัพสมบัติบุตรภรรยาสามีไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยดังนั้นคุณงามความดีควรที่จะเร่งสร้างซะจะได้ติดตามตัวเราไปให้โลกหน้าได้ด้วยในลักษณะคำตอบที่ทำให้เกิดสติใทนทํานองแบบนี้นับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้า ภาคภูมิใจในคำตอบของพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าเขาก็จะมีสติแล้วไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่เป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งเมื่อมีสัตว์นรกหลายจำพวกหลายบุคคลมักจะตอบว่าคนตายก็คือคนตายไม่เห็น จะต้องไปคิดมากอะไรตายไปแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นจะต้องทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเขาตายก็เรื่องของเขาเราควรจะเร่งหาความสุขใส่ตัวซะดีกว่าก่อนที่จะตายจากไปนับว่าเป็นคําตอบและก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่โง่เขาเหลือเกิน คำตอบแบบนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งน่าสงสารแท้ๆที่เขาจะต้องไปเกิดในนรกจริงๆอีกประการหนึ่งการที่สัตว์เหล่านี้ ไม่สามารถจะระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีได้เลยนั้นก็เพราะว่าการที่ตนเองนั้นได้เคยประมาทในชีวิตต่างๆเคยทำกรรมชั่วมามากมายจนไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำมาจํานวนน้อยในเมื่อความดีมีน้อยความชั่วทำไว้มากก็ไม่สามารถจะระลึกถึงความดีได้เลย ะลึกถึงความเชั่วของตนได้มากเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ข้าพเจ้าจะกล่าวเตอือนสติอย่างไรให้ครบหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถจารึกสติได้เลยนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยแท้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพียงนี้แหละพระคุณเจ้าเอ๋ย เออแต่ว่าอาตมานั้นก็ยังเห็นว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยในหัวใจเพราะว่าการที่ท่านนั้นยังไม่แสดงอาการช่วยเหลือของสัตว์นรกนั้นเลยจะเรียกว่าท่านนั้นมีเมตตากรุณาได้อย่างไรเล่าและทำไมท่านถึงได้ให้นักโทษเหล่านั้นลงโทษสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างหดเหี้ยมทาบนดอกเล่า อาอาอพระคุณเจ้าผูเ้เจริญท่านนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจโดยทีเดียวเอาละข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้านั้นไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยก็จริงแต่จริงๆแล้วผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ย่อมมีความรักใคร่ต่อสิทธิ์ต่อลูกหาใช่หรือไม่พระคุณเจ้า ถูกแล้วท่านเมื่อเป็ น, นเนช่นนี้หากลูกในท้องของตนหรือว่าลูกศิษย์ของตนได้กระทํำบาปกรรมหรือไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่เชื่อครูบาอาจารย์การที่ครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาจะลงโทษลูกของตนหรือลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นความผิดของบิดามารดาและของครูบาอาจารย์หรือไม่เล่า ไม่ได้เป็นเะนั้นเลยใช่แล้วพระกุณเจ้าการที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต้องตีสั่งสอนเด็กนักเรียนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความปรารถนาดีที่จะให้ลูกของตนนั้นเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทกระทำตนเป็นเด็กที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน มีความปรารถนาดีและก็จำเป็นที่จะต้องลงโทษเพื่อให้เกิดความลาบจำแต่บทาการลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มโทษหรือลดโทษให้กับเขาได้เลยเอาละ่ะอาตมาเข้าใจแล้ว ตอนนี้ว่าอาตมานั้นมีความต้องการอยากจะได้ชมนรกว่าแต่ละคุมนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรขอให้โยมเนี่ยช่วยพาอาตมาได้เที่ยวแดนนรกได้บ้างหรือไม่เล่านับน <ำ S 2> เป็ น, เ, ปนเกียรติอย่างยิ่งพระคุณเจ้าเออพระคุณเจ้ามาเที่ยวนันแดนนรกนี้เพื่อหวังอะไรลรืครับอาตมาต้องการจะทราบว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเพื่อว่า จะได้นำมากล่าวในแดนมนุษย์ว่าอย่าได้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องมาตกนรกขุมนั้นขุมนั้นหรือขุมนี้ขุมนี้พวกมนุษย์นั้นก็จะได้มีเฮริโอตปะเกรงกลัวละอายต่อบาปที่จะทำกรรมชั่วต่างๆนานาลงไปก็นับว่าจะเป็นส่วนกุศลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการโปรดมนุษย์ทั้งหลายให้ต้งอยู่ในสัมมาทิฐิลงได้ ถ้าอย่างนั้นข อ, อนิโมนพระคุณเจ้าได้โปรดตามข้า่าเจ้ามาดูมาเที่ยวในแดนรนรกนี้ได้เลยครับ